ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุสัตตะสะวักขีปูที่นอนในวิหารของสงฆ์แล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายแล้วพากันจากไปในทุติยเสนาสนะิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกัิทนะสมุดฐาน